สามอนาคาตวานอนุโลมจากขุนตริยะมุรกไนสย451อนุโลมปุชชาบุคคลใดจะกําหนดรู้จากขุน4ี่บุคคลนั้นก็จักรละโทมนัิสินสี่ใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลสองจำพวกจะกําหนดรู้จากขุนสี่แต่ไม่ใช่จักรละโทมนัิสินสีบุคคลหําพวกจะกําหนดรู้จากขุนสีแล้วก็จักรละโทมนัิสินสี่ ปฏิรมปุชชาบุคคลใดจะละโทมนานต์สินสีบุคคลนั้นก็จะ ก, กำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมพิจัชนาใช่อานุลมปุชชาบุคคลใดจะกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชน า, บ, คคาบุคคลหกจำพวกกำหนดรู้จากขุนสีแต่ไม่ใช่จกเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี บุคคลเหาใดเป็นปุ้ ble ble ุชนจักได้มักบุคคลเหล่านั้นจักกาหนดรู้จักขุนศรีแล้ก็จักเจริญอนัญญาตันยัสสามีตินศรีปฏิโดมปุชชาบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตันยัสสามีตินศรีบุคคลนั้นก็จักกาหนดรู้จักขุนศรีใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชชาบุคคลใดจักกาหนดรู้จักขุนศรีบุคคลนั้นก็จักเจริญอัญญศรีใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลสองจำพวกจะกกำหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่จากเจริญอันยินศีบุคคลห้าจำพวกจะกำหนดรู้จากขุนรีและก็จากเจริญอันยินศีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดจากเจริญอันยินศีบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอัญญาตาวินทรีใช่ไหมวิจัดชนา ใช่ปฏิโรมปุจฉาบุคคลใดจะทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีบุคคลนั้นก็จะ ก, กําหนดรู้จกักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงได้อรหัตตะมักจะทําให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีแต่ไม่ใช่จะ ก, กําหนดรู้จกักขุนสีบุคคลเจ็ดจำพวกจะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีและจะกกําหนดรู้จกักขุนสีจากขุนตริยมูลกานายัยจบ โมทม น, น ม, โมนัสสินตริยมูลกนัย452อนุโลมปุจฉ้าบุคคลใดจักละโทมนัสสินรี่บุคคลนั้นก็จะเจริญณาัญญาตัญญสสามีตินสี่ใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลสี่จำพวกจากละโทมนัสสินทรีย์แต่ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่บุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนแต่จักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นก็จักละโทมนัสสินรี่แล้วก็จักเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่ ปฏิโลมปุจฉั่บุคคลใดจักเจริญอน 4, ัญญาตัญญสสามีสินสีบุคคลนั้นก็จักละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉั่บุคคลใดจักละโทมนัสสินสบุคคลนั้นก็จักเจริญอัญญสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉั่บุคคลใดจักจเจริญอัญญรีบุ iy, คคลนั้นก็จักละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลสองจำพวกจักเกรเลนอญญินสีแต่ไม่ใช่จักรลาโทมานสินสีบุคคลห้าจำพวกจั ก, กรเลนอินรีและก็จักรลาโทมานตินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักรลาโทมนันสินรียบุคลบคล น, นั้นก็จักรทำให้แจ้งอัญญาตาวินรี์ใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีย บุคคล น, นั้นก็จะละโทมานติสินสี่ใช่ไหมวิจาชนาบุคคลสามจำพวกจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่จากละโทมานติสินสี่บุคคลห้าจำพวกจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ก็จากลาโทมานติสินสี่โทมนัิสินตริยะมูลกนัยจบอนัญญาตัญญาสามีตริยะมูลกนัย4ี่อห้อนุรมปุชชา บุคคลใดจักเ จ, จริณาัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็จักทาให้แจ้งอัญญินสีใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปฏิโดมปุชชาบุคคลใดทําให้แจ้งอัญญินสีบุคคลนั้นก็จักเจริอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมพิจัชนาบุคคลหกจาพวกทําให้แจ้งอัญญินสีแต่ไม่ใช่จักเจริอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มัก บุคคลเหล่านั้นทําให้แจ้งอัญญตีและก็จักเจริญอนัญญาตัญญัสามีตินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสามีตินสีบุคคลนั้นก็จักทาให้แจ้งอนญาตาวินทรี์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักทําให้แจ้งอนญาตาวินรีบุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเจ็ดจําพวก จักทำให้แจ้งอนญาตาวินสีแต่ไม่ใช่จักเจรินาัญญาตัญญัสามีตินทีบุคคลเหาใดเป็นปุถุชนจักได้มักบุคคลเหล่านั้นจักทาให้แจ้งอนญาตาวินสีและก็จักเจรินาัญญาตัญญัสามีตินสีอนัญญาตัญญัสามีตินตริยะมูลกนัยจบอนยินทริยะมูลกนัย45่อห้อนุโลมปุชชาบุคคลใดจักเจริญอนาญินสี บุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งัญญาตาวินศรีใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโดมปุชชาบุคคลใดจกทําให้แจ้งัญญาตาวินศรีบุคคลนั้นก็จะเจริเนนยินศรียใช่ไหมพิจาชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้รหัตมักจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีแต่ไม่ใช่แจกเจริเนนยินศรีบุคคลเจ็ดจําพวกจะทําให้แจ้งัญญาตาวินศรีและก็แจกเจริเนนยินศรี อัญญทาริยมูลกนัยจบปัจจเนิกะจากขุนทริยมูลกนัย455อหอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จากกำหนดรู้จกักขุนตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากละโทมนัิสินตรีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จากละมัทโทมนัิสินสรี บุคคลนันก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินศีแต่มิใช่จักไม่กําหนดรู้จักขุนศีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินศีและก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้จักขุนศีอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จักกําหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจรินาัญญาตัญญสสามีตินศีใช่ไหมวิจัชนา ใช่ปฏิโดมปุจฉั่บุคคลใดไม่ใช่จักเจริอาัญญาตัญญัสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมพิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่ใช่จักเจริอาัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่จักไม่กําหนดรู้จักขุนสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักเจริณนัญญาตัญญสสามีตินสีและก็ไม่ใช่จักรกำหนดรู้จักขุนสีอนุโดมปุจฉั่ บุคคลใดไม่ใช่จากกําหนดรู้จากขุนตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกริเนอัญญตรีใช่ไหมพิจารณาใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จากเจริญนันยินตรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากกําหนดรู้จากขุนตรีใช่ไหมพิจารณาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จากเจรินันยินตรีแต่ไม่ใช่จากไม่กําหนดรู้จากขุนตรีบุคค umm yes, ลสามจำพวก ไม่ใช่จจกเจริอเรนยินตีแล้วก็ไม่ใช่จะกําหนดรู้จักขุนตีอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จะกกําหนดรู้จจกขุนตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกทําให้แจ้งอนญาตาวินตีใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้พร้อมเพลี่ยนด้วยรหัตมักไม่ใช่กําหนดรู้จักขุนตีแต่ม่ใช่จกไม่ทําให้แจ้งอนญาตาวินตีบุคคลสองจําพวกไม่ใช่จะกกําหนดรู้จจกขุนตีแล้วก็ ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโรมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งัญญาตาวินทสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้จกักขุนตีใช่ไหมวิจัดชนาใช่จกักขุนตริยะมูลกนัยจบ4ี่อห้าอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมณตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจรินาัญญาตัญญัสามีตินสใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จากเจรินัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากละโทมานติน ส, สีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสี่จำพวกไม่ใช่จากเจริอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่จากไม่ะมสส ล, ละโทมานตินสีบุคคลห้าจำพวกไม่ใช่จากเจรนาัญญาตัญญสสามีติน ส, สีและก็ไม่ใช่จากละโทมานติน ส, สี 4. อนุโลมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่จักรละโทมานติสินตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจรินยินตีใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักละโทมานติสินตีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญนยินตีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักรละโทมานติสินตีและก็ไม่ใช่จักเจริญนยินตีปฏิรดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจรินยินตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรละโทมานติสินตีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จักรละโทมนัิสินตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักรละโทมนัิสินตีแต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักรละโทมนัิสินตีและก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโลมปุชชาบุค Phillip, คลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรละโทมนัิสินสีใช่ไหมพิจัดชนาใช่โทมนัิสินตริยะมูลกนัยจบอ น, อนัญญาตัญญสสามีตินตรียะมูลกนัี่ยห้าอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอ น, อนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกักเจริญอัญญสียใช่ไหมพิ จ, จัดชนา บุคคลหกจำพวกไม่ใช่จากเจรินาัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่จากไม่เจริญอนยินสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จากเจริญนาัญญาตัญญสสามีตินรีแล้วก็ไม่ใช่จากเจริญนยินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จากเจริญนยินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา บุคคลใดไม่ใช่จักเจรินาัญญาตัญญตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช poser, e ่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเจ็ดจพวกไม่ใช่จักเจรนาัญญาตัญญตสามีตินสีแต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จ <arithmetic> ักเจรนาัญญาตัญญตสามีตินสีและก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีปฏิโดมปุชชา บุคคลใดไม่ใช่จากทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจรณาัญญาตัญญสตมีตินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนัญญาตัญญสตมีตินตริยมูลกนัยจบอนยินตริยมูลกนัย4ี่อห้ิบอนุโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จากเจริญณาญรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากทําให้แจ้งอนญาตาวินทีใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยรหัตมักไม่ใช่จากเจริญอนาญีสีแต่ไม่ใช่จากไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จากเจริญนนาญีสีและก็ไม่ใช่จากทําให้แจ้งัญญาตาวินรีปฏิโลมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จากทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจรินยนาญีสีใช่ไหมพิจัชนาใช่อัยินตริยมูลกนัย จสี 4. ปัจจุปันนาตีตะวานอนุโลมจกักขุนทริยะมูลกนัยสี่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จักขุนสี่บุคคล น, นั้นก็เคยละทูมันตินสีใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทูมัสตินสีบุคคล น, นั้นก็กําลังกําหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัิสินตีแต่ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุกนตีบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อารหัตมักเคยละโทมนัิสินตีและก็กำลังกำหนดรู้จักขุนตีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุกนตีบุคคลนั้นก็เคยจเจรนาั น, น ญ, ญาตัญยัตสามีตินตีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉา บุคคลใดเคยเจริญนันญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกเคยเจริญนันญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้รหัตมรคเคยเจริญนันญาตัญญสสามีตินสีและก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนด รู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญรีใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาบุคคลใดเคยเจริญอัญญศีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุชชาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จักขุนตีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชา บุคคลใดเคยทําให้แจ้งอญยาตาวินสีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จกักขุนสีใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่จกักขุนตรียมูลกนัยจบโทมนัสสินตริยะมูลกนัย460รยนยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอ น, อนัญญาตัญยัสามีตินสีใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉา บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็กําลังละ โ, โสโทมณตินรีใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลหกจาพวกเคยเจริญอนญญัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่ใช่กําลังละโทมนณตินสีบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักเคยเจริญอนญญัญญาตัญญสสามีตินสีและก็กําลังละโทมนณตินสีอนุโลมปุจฉา บุคคลใดกำลังละโทมณติสินสีบุคคลนั้นก็เคยเจรนายินสีใช่ไหมวิจัชนะไม่ใช่ปฏิโรมปุชขาบุคคลใดเคยเจรนาินสีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัิสินสีใช่ไหมวิจัชนะไม่ใช่อนุโลมปุชขาบุคคลใดกำลังละโทมณติสินสีบุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอนยาตาวินรีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโรมปุชขา บุคคลใดเคยทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กําลังละโทมนานสินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่โทมานตินตริยมูลกนัยจบอ น, นัญญาตัญญัสสามีตินทริยมูลกนัยสี่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังเจรินอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยเจรนอนยินรียใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ ปฏิโรมปุตฉาบุคคลใดเคยเจริญอันยินสีบุคคนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกํา no ลังเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอนญาตาวินรี บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินสีใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนัญญาตัญญสสามีตินตริยะมูลกนัยจบอัญยินตริยะมูลกนัยสี่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังเจริญอัญินสีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉา บุคคลใดเคยทำให้แจ้งัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญในอัญญสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อัญญตริยมูลกานัยจบ